รู้หมดกุ้ใจเพราะไประโทษว่าปัญหามันสารพัดนะอันนั้นเป็นเป็นปัจจัยภายนอกนะมันไม่ทำให้เราทุกข์ใจได้หรอกได้หรอกนะถ้ า, ากว่าใจของเราเนี่ยนะจะเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันก็ไดนะ้มีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะหรือว่ามีคุณภาพจิตที่ไม่เอื้อให้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 แบกแล้วก็ต้องวางมันบ้างนะเวลานอนก็ต้องวางมันลงบ้างนะเวลากินก็ต้องวางมาลงบ้างเวลาอยู่กับลูกนะอยู่กับสามีอยู่คนรักอยู่กับภรรยาก็วางมาลงบ้างไม่ว่าปัญหานั้นจะมาจากหรือเกิดในที่ทํางานนะอย่างพวกเรามานี่เนี่ยนะหลายคนก็มีปัญหาเยอะ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 หาได้พระองค์ถึงจะช่วยพวกแอดีใจอ่างนะ น, นางกิสากรจมีดีใจแต่ว่าพอไปหาใครต่อใครเขามีเม่ประกาศให้แต่พอถามมีบ้านที่ไม่มีคนตายไหมทุกบ้านก็มีคนตายทั้งนั้นนะส่วนใหญ่ก็ตายที่บ้านโดยซ้ำนะเพราะคนสมัยก่อนตายอย่างนั้นนะไม่ได้ตายที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีโรงพยาบาลก็ตายที่บ้าน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 มัจุราเนี่ยยอมพัดพาคนเหล่านั้นนะเหมือนกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่หลับหลไปฉะ้นนั้นเท่านี้แหละนะนางกิสาโคตมีก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะว่าพระรูานี่พระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะสอนธรรมะให้กับคนทุกคนทุกกรณีทุกโอกาสนะพระองค์ก็ดูว่า ใจพร้อมจะรับฟังไหมบางทีอยากฟังแต่ไม่พร้อมนะก็ไม่ทรงเทศนะไม่ทรงสอนอย่างท่านภหิยะเนี่ยอยากได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้ามากเดินข้ามนะเดินเท้านะเป็นหลายร้อยโยชน์นะตรงมาพุทธเจา้าไม่หลับไม่นอนมาถึงพระพุทธเจา้าบนถนน ที่พระองกำลังเสด็จบินทบาทไม่รอเลยนะไม่ฟังอีราาักใหลลมก็ตรงเข้าไปแล้วก็ขอพระเจ้าแสดงธรรมเหตุผลก็ดีนะบอกว่าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าจะตายเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฟังเดี๋ยวนี้เลยนะเหตุผลดีแต่ว่าใจยังไม่พร้อมเพราะว่าอยากฟังมากเนะ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 สุดท้ายก็แสดงธรรมสั้นๆพราะว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นหรือว่าใจได้สัมผัสรับรู้อารมณ์เมื่อนัสสัคตว์เห็นสักตว์ได้ยินนะสักตว์ได้กลิ่นสักตว่ารู้แจ้งในอารมณ์นั้นะเมื่อนั้นตัวเธอจักไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์สั้นๆประมาณนี้เลยนะ ตอนพายานเนี่ยซึ่งตอนนั้นใจเริ่มสงบลงแล้วก็เปิดปัญญาก็เกิดบรรลุธรรมนะเป็นพระรหัสกลางถนนเลยพอเป็นพระแล้วก็ตั้งใจจะไปบวชนะแต่ว่าพอเดินออกไปไม่กี่ก้าวโดนวัวขีดตาย น, ะนี่ถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุธรรมตอนนั้นก็คงอีกนานนะเพราะว่าไม่มีโอกาสแล้ว ตายซะก่อนท่า น, นที่ท่านพยยาท่านปารอบไปนี่ก็น่าสนใจนะขอฟังทำเดี๋ยวนี้เลยเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไร่เหตุผลถูกนะแต่ว่าใจไม่พร้อมเพราะว่าอย่างที่บอกใจยังร้อนรนนะพอใจเริ่มสงบลงละพอพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงชะลอเอาไว้นะชะลอการแสดงธรรมรอให้เย็นซะก่อนใจก็เริ่มเปิดนะ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 คนบางคนโดนดา่าโกรธโมโหแต่ทําไมคนบางคนโดนดา่ากลับนิ่งหรือว่ากลับยิ้มด้วซ้นะํานีมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจนจันดนี่ถูกเจ้านายด่านะี่ยยิ้มให้นะยิ้มให้ไม่พอพนมมือไหว้ด้วยขอบคุณครับนะขอโทษครับนะีเจ้านายนี่ก็ด่าอย่างเดียว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 ลดเลยจิตเป็นปกตินะกลับมาเดินสามารถจะเดินไปรับบาดจากแม่ของเด็กได้โดยที่ไม่ได้โกรธทั้งลูกแล้วก็แม่นะตอนหลังท่านก็เวลาท่านพูดถึงเหตุการณ์นึงท่านก็บอกว่าเนี่ยเด็กคนนั้นคืออาจารย์ของท่านเป็นอาจารย์นะนะแต่หลายคนเนี่ยพอถ้าเจอแบบนี้เข้าก็จะโกรธนะโกรธเด็ก้อกที่โกรธแม่ด้วยมาทำไมไม่สอนลูกปล่อยให้ลูกพูดอย่างนั้นนะ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 ไม่ได้มีแค่องเดียวนะพระเถระเถรีหลท่านก็จบลงแบบนั้นพระสีหาเถรีนะก็ค่าตัวตายเพราะว่าจิตไม่พบความสงบเลยนะไม่ได้อกหักไม่ได้สูญเสียลูกนะแต่ว่าอุตสามาบวชแล้วก็ไม่พบความสงบบวชมาเจ็ดปีนี่หาความสงบไม่ได้เลยอย่าอยู่เลยดีกว่าอาจจะเป็นเพราะความกุ้มใจที่ไม่เจอความสงบนะ อย่างที่บอกไว้แล้วในความยึดติดในความยึดอยากเนี่ยมันเป็นโทษทั้งนั้นไม่ว่าจะยึดอยากอะไรแม้กระทั่งยึดอยากความสงบไม่ได้ยึดอยากในทรัพสมบัติชื่อเสียงกิตติยศโลกธรรมสนีะ่พอไม่ได้ดังใจก็เสียใจเครียดจนกระทั่งลืมตัวแต่ตอนที่ข้าตัวตายเนี่ยตอนที่เกิดแล้วสำเร็จด้วยนะก็คือขาที่กลังจะตายเนี่ยก็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 หรือว่าตลอดหลายปีนะของท่านเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่านะการปฏิบัติธรรมการได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเข้าใจทาให้ได้รับรู้เรื่องใจลักหรือว่าการที่ได้เจริญสติมานั้นมาในระดับหนึ่งถึงแม้ไม่ช่วยทาให้เกิดความสงบในยามปกตินะแต่ว่าตอนที่ใกล้าตายเนี่ยสติมัก็มาทำงานนะ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 เอาเกลือมามาห่อหนึ่งจากในครัวอ่าแล้วก็เทใส่น้ำโรยเกลือครึ่งหนึ่งลงไปในแก้วน้ำแล้วก็ชิมดูเป็นยังไงเค็มครับอ่าเค็มครับเค็มจนขมเลยอ่าทีนี้ไปที่ลำห้วยเทเกลือที่เหลือที่เหลือลงไป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 สิ่งขเราถ้าแคบเล็กเหมือนแก้วนะเจอเกลือก็ก็ก็เค็มนะเจอความทุกข์นิดหน่อยนะมากระทบก็ขุ่นเคืองใจแต่ถ้าหากว่าทําใจเราให้เหมือนสายน้ําความทุกข์อย่างเดียวกันนะก็ไม่ทําให้ทุกขนะ์ไม่ทําให้ขุ่นเคืองนี่ที่ว่าใจเนี่ยของเราจะเป็นแก้วน้ําหรือเป็นลำพุย้ย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 เราจะโชว์โอกาสเอาทุกขนี่แหละมาเป็นอุปกรณ์สอนทมให้เห็นทมได้เพื่อความไม่ทุกนะเพื่อการพ้นทุกของเราเอา่ชานี้พกกูดนเท่านี้ครับพระ